มีแต่หลวงพ่อบุญมีทาเต่าอยากจะให้หลวงพ่อพูดเป็นภาษาภูไทยแต่พวกเราเอาอยัางไงผู้ฟังนะแต่หลวงพ่อบุญมีท่านก็อยากจะให้พูดภาษาภูไทยแต่พวกเราผู้ฟังเนะ่ยจะฟังภาษาอะไรภาษากลางหรือภาษาเราวทางอีสานหรือภาษาภูไทยฮะ คนเลยจะให้อคำตอบละ่ะเอ๊ะจะฟังภาษาผู้ไทยดิมอว์นั่น <c oughs> น่านไม่ฟังในน้องภาษาผู้ไทยในน้องเอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังนะถึงจะว่าภาษาผู้ไทยก็ต้องนอบน้อมประพุทธเจ้าคือเก้านั่นแหละนะ กนอบนอพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานัง เอตํมมังคารมุตตมันติตเตเมื่อนี้เป็นวันสำคัญเมื่อนึ่งสำหรับพวกญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร้วมกันเพื่อจะถวายพาพกระินเมื่ออื่น แต่หลวงพ่อคู่บาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อบุญมีทําเตา่าได้นิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อจะเป็นมาบว้าสเม้าแสดงธรรมนะถ้า ต, ตามไม่จริงหลวงปู่ของเฮาเนี่ยหลวงพ่อเองตั้งแต่มื้อสร้างเจดีย์ที่แรกก็ได้มาลงขันซอยเพลินอยู่เรื่องเจเจดีย์ของหลวงปู่เฮาเนี่ย ตลอดถึงงานศพของเพลินหลวงพ่อก็ได้มาเพราะถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์มหาเทระผู้ใหญ่ผงนึงแต่ตามไม่จริงประวัติของเพลินเนี่กออ่ะหลวงปู่ของเฮ้าเนี่ยหลวงปู่เขียนทิตะสีโลกของเฮ้าเนี่ยเป็นผู้มีปฏิปทาเซดสวยงดงามเป็นเยี่ยงย่างของลูกของหลาน พวกเข่าผู้ไทยของเขา่าเน้เพราะว่าหลวงปู่ของเขานี่ขนาดอยู่บ้านนาะบ้านนาห้างไกลจากเมืองจากกลุงขนาดนี้ฉะนั้นยังมีความพุทธสาหะวิริยะโดนดันไปเลี่ยนหนังสือถึงกรุงเทพนับวาหารดยะแล้วพวกเขาได้เห็นอีบอลบาลนี่ตั้งแต่หลวงปู่เขียนเพิ่นได้ประโยคเก่ามาแล้วลูหลานบ้านเข่านี่ยมีผู้ใดที่ ได้เลียนหรือ่อเเลียนแบบจากคนมีกี่อเพราะนั้นตั้งแต่หลวงปู่เลียนจกมาเน่ก็เป็นเวลาเมื่อหลวงปู่มรณาภาพปี46หอายุของเพลินเกิดได้เกบได้8ปดปีและลูกหลานบ้านเฮาเนี่ยเผาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผาผู้ไทยของเฮาเนี่ยมีผู้เลอแ ด, ด่ในปทเกา่า หาในยะเนี่ยว่าเป็นบุคคลที่หาในยหลวงปู่ของเขาเลยถึงจะยุบป้าลงพงไผความเจริญถึงข้าวนั้นพวกเข้าคิดเอาไปแล้วกันการที่จะเดินทางดนดันเข้าไปกรุงเทพเนี่ไม่ใช่ของเข้าไปได้ไง่ายพ่อไป็นอดแล้วเพิ่นก็ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังเสยนหนังสือได้ความรู้ความฉลาดมาทราบในประวัติของเพิ่นน่ะ เนได้ปะทาอเก่าพร้อมเดียวกับสมเด็จตังสาราชองปัจจุบันเนี่ยยาณสังมอนเนี่ยได้ปีเดียวปีนั้นได้ปะทาอเก่าทั้งมัทัวประเทศมีอยู่เก่าองค์ตามประวัติของเพิ่นที่เมาไว้นะนี่แหละที่ว่าเป็นเพชรน้ําหลึกของประเทศก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าลงปู่ของเฮานี่ เป็นบุคคลตัวอย่างของลูกของหลานควรพวกเข้าลูกหลานทั้งหลายออกตัวญาติโยมทั้งหลายควรจะออกเป็นแยียงอย่างที่ดีจากนั้นเมื่อคนเรียนจบพอทอเก่าแล้ ว, พวเพิ่นก็มีความมุ่งมันทัางเข้ามีความมุ่งมันคือความกา้าวนาคือมนุษย์ชาติของเขาเนี่เกิดมาแล้วนี่จะยุดอยู่กับทีนี่ คงจะเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้พอนไปเพิ่นก็มีความก้าวนาะพอจกปะท้อกาแล้วจะไปยังไหนพลืนหอดยอดอะไรเพิ่นก็จีความโม่งบ้านของเพิ่นคือจะเป็นพิพากษาเลยพอนไปข้าร ว, ว่าจีเป็นอนุสาสน า, าจารย์ฝ่ายทหารเพิ่นก็มีมักพอนไปบัดนี้เพิ่นจะเป็นจะเปเให้นทั้งมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์พอนไป จะเป็นพิพากษาเค้นทางกฎหมายอันนี้ก็คือความตั้งใจของหลวงปู่ในเมื่อเป็นปทอเก่าแล้วอันออไปตอนนี้คู่บาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นเพิ่นก็มองเห็นว่าเออคงจะเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาทางว่าปทอเก่าอยู่ในพระพุทธศาสนาใดคงจะเป็นกําลังของพุทธศาสนาเพิ่นก็หาวิธีที่จะเอา หลวงปู่มหาเขียนของเขาเนี่ปทอเขาเนี่เคยอยู่ในพุทธศาสนาใดรสิเอตเลยิอยู่ใดวักไปเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จเอ่อติสโยนเมื่ออุบลนเท่าเนี่ยที่เป็นแม่ทัพทางภาคอีสานเ่พิ่นกันหาช่องทางสิพลเสิเมาหาเขียนให้อยู่ในศาสนาใดพอเบิ่งเพิ่เบิ่งเห็นแล้วมันอแล้ววไปสียจิกัโดะ เพื่อนก็ได้พามาศฟะไว้กับหลวงปู่มันเออมาโยกับหลวงปูมันใครธรรมะฟะไว้ที่ซื้อได้ให้ขึ้นมาให้มาศึกษาให้มาบ่นกันออกไปเพื่อนก็มาฟะไปบ้านหนองผืหน้าในจากนั้นสมเด็จเพื่นก็กล้าหลวงปู่ไปออกไปเลยหลวงปู่ของเฮ้าเนี่ยหลวงปู่มาหาเคียงของเฮ้าเนี่ยเพื่นก็โยหันบัติโยกับหลวงปู่มันเพื่อนก็ได้ศึกษาธรรมะได้เห็นมัดทุกอย่าง หลวงปู่มัน่นพาเอ็ดเลยเพราะเอ็ดแน ว, แน ว, แนวมั่นสันในบาทเดี๋ยวพระมีเคยเพราะเอ็ดตามที่หลวงปู่มันแนะนําสั่งสอนตามที่ครูบาอาจารย์อยู่ในสมัยนั้นหลวงตามหาบัวก็อยู่ในสมัยนั้นนั้นคือเดียวอย่างหลวงปู่ลาก็อยู่กับหลวงปู่มันสมัยนั้นก็ได้เห็นหลวงปู่ลาก็เพ้าะว่าหลวงพ่อฟังอยู่ว่าหลวงปู่มหาเกลียนเนี่เขาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนี่ นิสัยกิริยาเมารยาตสวยง่ามมากเปิดมาหลวงปูลาเปิดมานะเอานะเป็นคนอ่อนนอมทอมตนความที่เป็นมหาปะท่อเกาอ่าโบเ้เคยมีเลยเปิดมอันนี้ก็คือความอ่อนน้อมทอมตนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทีนี้เพื่อนพ่อมันอยู่กับหลวงปูมันศึกษาแล้วก็หลวงปูมันเทศนาว่าการเพื่อนก็นยกย่อ บอกองนั้นปฏิบัติดีนะองค์นี้ปฏิบัติเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเพื่นกินบอกเป็นบางครั้งออพออผลแห่งการปฏิบัติลูกชิดลูกหาของเพิ่อนลงปู้มาหาเคียนนี่กับเพื่อนเกิดทั้งยานกับยานยานหลวงปู่มันมาละไปมาไล่ทีเข้าไปกราบหลวงปู่มั น, นกินก็ ก, กราบเลี่ยนถามบนวัด ก็พมเนเจ้าพ่อเป็นได้เป็นเป็ น, ป น, ปนไปได้บอยที่จะพ้นทุกมดกิเลสหลวงปู่มันเออก็เลยเข้าไปถามาเพื่นมันไปเขาเป็นเกียรติการเรียถามย่านกับยานมันไปแต่แต่อยองหูก็อยองหูหมดไปก็เลยเข้าไปกราบมันหลวงปู่มันยุดห ย, ยุดยุดเน่งอยู่ชั่วครูเน่งนอะหลวงปู่มันก็บอกว่าเออถ้าวามีความตั้งใจบรรพายของชีวิตอาจจะถึง หุปลายปลายทางท่านมีความตั้งใจแน่วแน่อันนี้ก็คือหลวงปูมันได้พูดไว้แต่จะเท็จจริงๆเทากับตัดฟังตามประวัติของเพลินน่ะก็คงจะเป็นของจริงเพราะายังได้เขียนเป็นหนังสือให้พวกเขาได้อ่านได้ศึกษาอเอาไปแต่ในความใจแน่ใจของเพิินเองเพิินกับส้กับความรู้สึกของเพิินย่างมากที่เดียว พ่อเพิ่นเป็นมหาหนุ่มเลยเพิ่นอยากจะซึ้อย่า ง, างมากก่คนไปตั้งแต่มื้นมาจากกรุงเทพแล้วแต่ออกมาปฏิบัติเนี่ยก็ย่งตุปบัดตุเปีตุวบัดตุเวียงย้อนไปแต่ยังในใจของเพิ่นน่ยก็ยังไปท่านแน่นอนยังคืดอยากจะซึ้อย่า ง, างมากกคนไปในช่วงนั้นที่อยู่กับหลวงปู่มันเพิน่นได้ขุดแม่ชีแก้วเนี่ยในในในประวัติของเพิออ่นเนีเพิ่นก็ลงในประวัติเองคือกัน ตัวคุณแม่ชีแก้วอยู่หลวงปู่มั่นกันยกน้องเชิดชัวนี่ไมซีผูนี้นะเป็นผู้ตั้งใจพาวนานมีคุณธรรมในใจเออหลวงปู่มหาเขียนอ่อนเลยกับแต่ว่าอายุอ่อนกว่าคุณแม่ชีแก้วเลรอบนึงรอบกว่ากาไปลงตามหาบัวนี่ยกับหลวงคุณแม่ชีแก้วนี่อ่อนกว่ารอบนึงคุณแม่ชีแก้วแก่กว่าหลวงตามหาบัวสิบปี แต่หลวงผู้เขียนอ่อนกหลงตามันปีหนึ่งบ่ต้องหลวงพ่อจัมีพิษนะวันนี้ก็ไม่พบกับคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วอ่ะท่านมหาอะนี่ยชาตินี้ชาตินี้คือจะไม่ได้ซึ้บก่อกนว่น เ, เพราะว่าสาติสามชาติที่หลังน่ะชาติก้อนเนี่ยเป็นสมเด็จหออายุสิเจ็ดปีได้ซึกพ่อชาติต่อมาอีก อายุ19เกือบ20ปีได้ซึกแต่สาสตรนี้สิบวดตลอดชีวิตเด็มาหาไม่ได้ซึกดหรอกคุณแม่พยากรณ์วนคุณท่านเจ้าคุณก็เลยเข้าเลยก็บอกเอา้าให้หลังเธออาตมาจะจะซึกอ่ะเพื่อระมาห้ามไว้ไดมันจะซึกนเดะมันจะซื้อก็ต้องซึกหละ้ ม, ะกกะมันจะห้ามไว้เนี่ยไรเงเลอะเรา คุณแม่แก้วก็เลยบอกว่าชาตินี้เนี่ยเป็นถึงจะซึ้งเลยกันยังไม่ได้ซึกจะต้องตายคาผ้าเหลืองในชาตินี้หลวงผู้เขียนให้นก็เออท่านก็ให้ก็บซอมเบิ้งมาจะเลยที่เป็นเนาเลยมาจะเลเพื่นกันเลยอยู่มาเรื่อยๆนี่แหละก็ได้ตายคาผ้าเหลืองอย่างที่ลีวอาไว้เนี่ออกไปอันนี้ก็คือความทำ่ำนายพยากรของคุณแม่ฉีแก้วที่บันฮวยทรายนี่ย พะะัสดุ์กลุงปผู้เขียนของเข้าในประวัติที่พันเขียนไว้วัน่ี้ไปแต่ที่มาพูดถึงเรื่องเจดีบาทเเรื่องเจดีนี่ยก็ลงตามหาบัวที่เป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนกั น, นไปมีอยู่สามองค์เสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบั น, น, บน เ, เนี่ยยานสะังวอนเท่านี่ยองค์หนึงแล้วก็ลงตามหาบัวองค์หนึงแล้วก็ลงผู้เขียนเท่าองค์นึง อายุคู่ขี้เดียวคนละไปแต่รู้เท่าควรจะหลวตามหาบัวเนี่ยจะอายุแกกว่าพราะมันเกิดเดือนสิงหาสมเด็ทพสังฆราชเลยเดือนตุลาแต่หลวงปู่เขียนเท่าเนี่อดอาจจะอ่อนกว่าสมเด็จพสังฆราชกับคู่ขี้เดียวนั่นแหละสมองค์เนี่แหละการศึกษาของของเพิ่นคนละไปแต่นี้พอหลวงปู่เขียมาะมละาภาพ อายุ89ปีปีสอหลวงตามหาบัวกร้มาเป็นผู้ดูแลจัดการปิดประทานงานศพแสดงพระธรรมเทศนาว่างศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์เพราะนั้นการสร้างเจดีย์เนี่ยก็อาศัยความพร้อมเพียงสมัคีลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์กับส่วนนึงอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านของเขาเนี่หนะลวงพ่อว่าในการโล่งขันกันเนี่ยดีที่สุด ท่ว่าผู้นึ่งผูเลวเอาเงินร้อยล้านมาสร้างโป๊ะหลวงพ่อก็มีพ่อจมีมีภูมิใจเลยถ้าจะว่าไปละ่ะคือมันได้ผู้เดียวมันมีหักสร้างเสียขึ้นมาแล้วก็มีภาคภูมิเจอคณาว่าพวกเขานี่คนละทิศคนละน้อยคนละซี่บาทห้าบาทห้ตาต่างสองสลึงเลรินึงร้อยบาทผ่านบาทม0่นบา ท, บาทแสนบาทมาร่วมเดียวมาลงคัน ไปว่าเอาน้ำคิดน้ำเจอมาร่วมกันมันไปม า, รมปมารมสร้างเจดีเพื่อบูชาพระคุณของหลวงปู่ของเข่าที่พวกเข่ารักเขาลบนับถือหลวงพ่อว่าเนี่ยเป็นมีสาระมีประโยชน์และก็ภาคภูมิใจสำหรับพวกเข่าท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเข่ามืออื่นเนอะให้ช่วยๆกันลงขันสร้างเจดีของหลวงปู่ ถึงจะมีมากมีน้อยก็มีเว้ากันมีเว้าเดียวเออให้ช้อยชอยให้ซวยซวยกันล่องขันตามกระติกําลังความสามารถเข้าเอ็ดเข้าเอ็ดนู่นอื่นท่ออย่างเอ็ดใดเนีเออเข้าเสียสระเข้าเสียนนอื่นท่อนอย่างเสียใดอันนี้เขาเสียเสียสระเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ของเข้านี่หลวงพ่อว่าหนึ่งมีคุณค่ามหาศาล เฮาเคิดขึ้นมายามเลอ่อเฮ้ากับภาคภูมิใจเฮ้ามากราบเจดีย่ามเลอ่อเฮ้ากับภาคภูมิใจเปลอเออผุคานี่ยกับครอบครัวเนี่ได้ท้มเทได้สร้างเจดีย์ของหลวงปู่ได้ลงทุนเท่านั้นเท่านี้มันจะอยู่ในจิตติจิตจิตจิเจอของพวกเฮ้าทั้งทั้งหลายเลยการสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นการเมื่อเออเนี่ยพร้อมพาเดี๋ยวลงขานละกันเอไป หลวงพ่อเองก็สืโล่งขันขึ้นกันพระปีที่แล้วเนี่ยก็ลงขันสร้างเกียรติขึ้นกันปีนี้ก็คิดว่าก็มาเข้านี่ก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะโลงขันสร้างเกียรตของหลวง ป, ปู่เนี่ยเคยสำเร็จรู้่วงไปเพราะเพิ่นเป็นมหาเถระผู้ใหญ่ที่รับเคารพนับถือสายกรรมฐานของพวกเฮาเป็นต้นตระกูลเออเป็นรุ้นปู่ลุ้นตาของพกเฮาไปอันนี้ก็คือ ช, ช่วยกันเด้อเมื่ออื่นเด้อเรื่องสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ของเฮาแต่สําหรับของคุณแม่ฉีแก้วหลวงพ่อเองก็สร้างเลยเดี๋ยวนี้กําลังสร้างถ้าจะว่าไปกะอันนี้รู้สึกว่าจะได้สูงกว่าแต่เพราะอันนั้นมันเป็นเจดีย์สชั้นแต่เช่นสัญญา ง, งบกัน14ล้านตัวนั้นของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ฉีแก้วที่สร้างอยู่บ้านหอยทรายเดีนี้ไปก็มีไก่ขันวัด ออกตนอุนญาติโยมลูกหลานผู้เลื่จะไปเบิงกับเบิงไปเบิงได้นะสร้างเจดีคิดว่าวันที่0ท่านว่านี่จะโยกชัดโยกชัดเจดีคุณแมส่สีแก้วและก็วันที 22, ่2มกราวันหลวงปู่ลานะวันที่วันที่เกวันที 19, ่เก้ามกราเป็นวันมรณภาพหลวงปู่ลา แล้วก็วันที่22ต่อไปหันกับคดวาจิ บ, บันจุพอบรรสารลีลิกธาติบนยอดเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วจะทำพิธีง่ายๆหรอกมีแต่สวดมนต์ใช้ยันโตแล้วกยกขึ้นไปกับเลี้ยงกุบายในถวายอาหารคู่บาอาจารย์แล้วกนถวายเจตุปจัจจัยทายทาธาลแล้วกัแล้วก็บจบแล้วก็วันที่18วันมรณาภาพของเพิ่นนวันที่18มิถุนา ก็ว่าทุกอย่างกขจะให้เสซ็จเรียบร้อยว่าที่ฉลองที่มอบเจดีถ้านว่เป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะว่าพูดรับเหมาเขาก็พูดอย่างแข่งขันว่าเขาจะเซ็ตไพ่ในเดือนมีนาหรือเมษาเขาวาดนั้นมาลงไปอันนี้หลวงพ่อก็ทำตามเมื่อพูดตามที่เขาบริษัทเขามีความลื่นยันว่าเขาจะสร้างให้เซ็จประมาณเดือนมีนาหรือเมษาพราะมีนาเมษาเขา้าไป ผู้คณะกรรมการจัดงานนี่กะคิดว่าคงจะมอบวันมรณะภาพของเพิ่นเลยวันที่สิบแปดมิถุนาคนนั้นออกตัวญาติโยมได้เง่งๆไปร่วมกันนะเนอะอมอบเจดีคุณแมชีแก้วการสร้างเซดีของแมชีเนี่เบื้องและมีได้ในะเมืองไทย ย, ยังหามีได้อกไปแต่ว่าหลวงปู่อุ่นเพิ่นสร้างอยู่วัดป่าแก้วของเพิ่นเพิ่นก็สร้างอยู่แต่น้อย หลวงพ่ออินเห็นแล้วก็เออหลวงปู่อุ่นเพิ่นกะทําตามกําล่งของเพิ่นแต่วันนี้ของหลวงพ่อนี่มีกําลังมากแคไม่จะทําใหญ่ก็มีแม้ป่านั้นแต่ว่าเจ้าของเงินเขาผู้ที่ถวายเงินจะตู้ปจัจจัยมากเ่ยเพิ่นแสดงความจำลนงมาเออก็คงจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าไดก้อนนี้มาแล้วกก่อนอื่นก็คงจะทยอยมาคิดว่าคงจะไม่มีปัญหามั้ง อันนี้ก็เลยได้ไปชุมหารื่กันประชุ่มกันหนึสองสาครั้งกันเลยจากนั้นมากับไปชุมกันเช่นสัญญาเมื่อวันที่สิเก้ามิถุนาสิบเก้ามิถุนาจากนั้นมาเป็นสิบกว่ามือกันลงมือเลยวันนั้ไปลงมือสร้างหน้าฝนเลยฝนปีนี้แหละเดี๋ยวนี้กําลังขึ้นชั้นสองกำลังจะขึ้นยอดวันนั้ไปในวันที่ยี่สิธันวานะะี่ยค่ คิดว่าจิตติดฉับยกฉับวันไปยกฉับหยอดจากนั้นก็คงจะประดับตกแต่งลงมาเรื่อยๆละ่ะแต่ว่าทางในก็ก็คงจะเป็นรูปไฟเบือลูกกุนแม่นั้งอยู่ข้างในไปแล้วก็มีรูปยืนเป็นอนุสาวรีย์อยู่ข้างนอกเจดีรูกนึงเป็นรูปทองเหลืองวันไปแต่เป็นอย่าง ใหลวงพออ่อยังสร้างเจดีย์ของคุณเมษีแก้วคุณเมสีแก้วเนี่ยสําคัญเท่าไหรอันนี้ก็พวกคณะสัตว์ทยญาติโยมทางหลายก็คงจะมีความคิดอยู่ในใจขึ้นกันแต่ถ้าว่าพวกเขาได้อ่านหรือว่าไ้ศึกษาตามแนวแถวขององค์หลวงตามมหาบัวเป็นผู้บอกผู้ก้าวนั้นละก็ก็คงจะพ่อเข้าใจแต่แต่มาถึงอย่างไรเข้าใจก็ตามแต่ว่าตามรักของพระไตรปิฎกเนี่ย เพิรก็บอกว่าเป็นคราวาสได้สำเร็จเป็นพระรหารตแล้วอายุสีเมื่อเกินมีเกิดเจ็ดมืออันนี้คือรักปไตตยปิดกยืนหยันแต่คุณแม่ชีแก้วเนี่ยเป็นคราวาสเป็นนั้นเ่มเมื่อได้สำเร็จแล้วเนี่ยจึงมีอายุยืนเงาอันนี้ก็เป็นขี้กังขาของพุทธบริษัทบางกลุ่มบางคณะคือเดี๋ยวหลวงพ่อวานนะ เออเออแต่ขนาดผ้าส่งในเพิ่นก็ยังกางขาอยู่ได้แต่หลวงพ่อเนี่ยมีกังขาวัน้นไปพราะเื้อในองค์หลวงตาเนีความเป็นมากของคนคุณแม่ฉีแก้วเนี่ยอืมอันนี้ก็พูดเลยปุ๊บหลวงพ่อเขียนในตำลัมไปหาคุณแม่นะเพื่อปฏิป ร, รับสติปัญญาขี้เดียวน ะ, เนวนะ้เป็นข้อคิดวนไปเป็นข้อคิดไฟอุบาสิกาเป็นตัวอย่างของไฟอยุบาสิกาเพราะนักไหว้สุอุบาสิกานั่งอยู่เด็กอะ คือโยมผู้หญิงเนะนี่ยนั่งอยู่นี่เนะี่ยขวัญเยาคุณแม่ชีกแก้วเป็นตัวอย่างาคุณแม่ชีกแก้วเนี่เพิ่นเอเ็ดนวลเพื่อนยังได้กระดูกของเพื่อนยังเป็นพระาธาตุกระดูกของเพิ่นเป็นพระาธนะราตนี่ยพอจะได้สร้างเกดีกนี่นะคุณแม่ชีกแก้วนี่สมัยหลวงปู่มันมาภาวนาอยู่แทบๆนองสูงข้ามชีอีหลงปูเ่เสาหลงปู่มันเพิ่นก็นมาพักภาวนาอยู่บ้านห้วยทรายนะ สมัยนั้นหลวงปู่เทศก็ยังเป็นพระน้อยอยู่เลยหลวงปู่เทศห ล, งหลงวหล ง, ปหลงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันโดยมากไทยบ้านห้วยทรายเนี่ยเขาจะห้องครูบาอาจารย์เหล่านั้นเป็นครูบาเมื่นไปพเพราะปีนยังเป็นพระน้อยอ ย, อยู่ 3, 4, 5, 6, 000, 000, สามสี่ห้าหพันศาเนี่ยแต่หลวงปู่เสาหลวงปูม่มันเป็นครูบาอาจารย์พระสมัยนั้นเขาว่าประมาณ7จ็ถึงเจ็องเลยมาอยู่ในบ้านนอกขนาดนั้นลงไปจากนั้นกกระยับกระยายการไป แล้วก็พร้อมกันกับยับมาอยู่รวมกันมาในหลวงปู่มันเนี่ยพ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายพ้นเขาคงจะเห็นอุปนิสัยของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยเป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มอายุ16 1 6 6 7ปีเพิบเ็ปีพนกัทเททธมะเฮฟังบอกว่าเฮฟภาวนาเนี่ยนีนียนี่เ น, นี่นยน้เฮภาวนากำลนดลมหายใจเขาออกเน้อพร้อมกับพุทโธธรมโมสังโคเด้อ วันนี้พ้นกระถามมาเป็นในเวลาภาวนาเลยอันไดมันคิดลงลึกก็กว่ากันเลยนางแก้วนี่ก็บอกว่าภาวนาพุทโธเออภาวนาพุทโธเด้อวันนี้จะพ้นกับภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธพ่อนั่งไปแล้วรับใกล้ๆมอนลักษณะรับตะมาจิตสงบไปพ้นมือหยิบตะมาจิตสงบตะมาพ้นว่ารับพอลับไปนอนพอนิตสงบลงไปตั้งแต่สี่ถุม จนหอดตีส พ, พ่อสงบลงไปเยเห็นเจ้าของนอนพ่อนอนลงไปเลยเห็นนอนมกินเจ้าของเจ้าของตายเลยเจ้าของตายนอนมกินกินมดหยุบหยุบเลื่นออกไปไปนั่นก็เห็นหลวงปู่มันมาเจ้าของนอนนอนนังนอนนังอ น, งนอง น, อ น, อนอล้างกายเลยนัองอยู น, นอ น, อนอล้างกายเอาไปเห็นหลวงปู่มันมากล้าพระหลวงปู่มัน เฮ้ยมาติกาบางสกุลเฮาผู้ฆ้าและไผู้ฆ่าตายแล้วตลงปู่มันออกไปเท้าเนี่ชีวช้วันไปชี้ร่างกายเขี่ยอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้เป็นสังขารลางกายมันเป็นตอนนี้ห ล, ลวงปู่มันเทศเท่าฟังในขณะนั้นพ่อถึงตีซี่มา ก, ก็เลยสำเนิกเดยเอ๊ะผู้เลอที่หนึ่เขาเสือบาดก็เมื่อเมื่อเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเจ้าของเอ้าเมื่อกี้ ผู้ค้าฝันฝันว่าเจ้าของตายวันนี้มันเป็นอะไรเด็กจับเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งมือเจ้าของอู้ย่างๆ่งอยู่นี่น่ยเออนี่แหละอันนี้เก็คือสมัยหลวงปู่มันสอนคุณแม่ชีแก้วออจากนั้นมาก็พ่อมืมอเสามาป่านลยหลวงปู่มันกะเหลียวบเบิ้งตัวเล็กป่านเลยเออบอกว่าเอาบอกทา่งแก้วไปหาเนี่มีกล้าไปวันนอ้ไปเออมีกล้าไปหาพุ่น เพราะว่าเพิ่นให้ภาวนาตัวเองมามานอนรับฝันอีฝันเหี้วอีกวนอไปเหลวงปู่มันกระเฮิดห้องขึ้นไปไปมาคนมาบอกเพิ่นก็ส่งจงอาหารเกาคนบาทรกินอีกเเออเพ่กินม่ก็ถามถามเมือพอถามเฮดพระมาฟังพร้อมเนีเพิ่นกัเทศเขาฟังเยจากนั้นต่อมาตอนหลวงปู่มันทออกจากบ้านห้วยทรายเพิ่นก็บอกเออเจ้าจะภาวนาเด้อเศ้าซะ คือคข้อนคำ ว, าว่าข้าพรวนาเนี่คิดโลดผนแบบนั้นเลยทางว่าบมมีคูบาอาจารย์แนะนำเลยทำให้หลงทางทําให้เป็นบา้าไดวันไปเพื่อนมันจะภาวนาเน้อเจา้าการภาวนาการมัดระวังวันนี้คุณแม่ก็เลยพยายามเผาเผต่อเมื่ออายุ30สกว่าปีเนยจึงได้บวชเป็นชีไปพอบวชเป็นชีกับเพิน่นกับภาวนากับคูบาอาจารย์พอต่อมัพอนั่นต่อมาน่ยหลวงปู่มั่น ก่อนจะมาณนะาภาเพิ่นก็ได้เห็นรู้ในดิม็ตเนี่ ย, เ, ยเพิ่นก็บอกฟังว่ากรุงปู่มันจะไปเลยเนีเออสีร่าไปละมาเบาะเพิ่อนอีกเพิ่นก็เห็นอีกวันหออนึ่ไปเออผลที่สุดหนึ่งสถานีเขายังไปทั้มาเบาะคุณแม่ฮู้แหละทั้งปีเออคุณแม่ชีแก้วน่งคือสรุปแล้วก็คือมีญ่านมีญานรัฐศานารู้อดีตอ น, นาคตพ่อสรงขวนมาลงไปเออถ้าจะว่าไปแล้วนะ แต่แตอนนี้พ่อลงตามหาบัวไม่โยกับหลวงปูมันเผาประชุมเพิ่งหลวงปูมันปี2493พอหลวงปูมันมรณาภาพปี92้าสแต่ลงพ่อประชุมเพิ่งเดือน3ปี2493พ่อจากนั้นมาพอเผาซพเรียบร้อยประชุมเพิงซพหลวงปูมันเรียบร้อยลงตามหาบัวก็ ไปจํามันสาอยู่บ้านหนองผือนันัยกับไปจับมัษาอีกปีนั้นน่ะพอจับมันาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงตามหาบัวกันเลยมาลงมาหาวิเวกก็มาก็ไมาอยู่บ้านหอยทรายก้อนได้ยุ่มาม้จากไม้อยู่บ้าน ห, ยาห อ, นาอยทรา ย, ายาคุณแม่ไดนีมิตอีกเลยเห็นอีหลงนาวนอนไป เ, เห็นว่าเดือนตกลงมาอยู่วัดป่าและกระดาวตกลงมาอีก หลอบร้ อ, อมร้อมหอผู้เทาก่อนคุณแม่ชีแก้วก็บอกว่าเออปีนี้สงสัยคู่บาอาจารย์ผู้สำคัญซีมา จ, จัมพันสายอยู่บ้น า, านโวยไซเฮาเนออยู่วัดป่าเฮาเนอะอาจจะมีคู่บามาหลายองค์อีกเพราะนั้นพวกเฮาทั้งหลายออไปเบิ่งนเะ้อซอยกันเนอะเบิ่งเสนาสนะที่พักพาสคูบาอาจารย์หลายองค์ีนะ่เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือคุณแม่พยากรมีเหิงลงตามหาบัวก็ไปอลี ก็พร้อมกับคู่บาอาจารย์หลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่เพ่งหลวงปู่เพียนคูมือเป็นหลวงปู่มั้งเลได้เฮ้อายุแปดสิบกว่ามัดแล้วคนเรไปแต่คุณสมัยของเขาเขาฮ้องคู่บานล้วอ่าแต่เนี้ยกนกยูมวัดหลวงปู่จามอยู่คู่มือนี่แหละแต่ปีนั้นหลวงปู่ปันตาดไปจำมรรษาอ ย, อยู่ตรงกันข้ามกำมันห้วยทรายอยู่กับเนนอยู่บนภูเขา ล้วัดคุณแม่ก็อยู่ห่างจากบ้านหอยทรายไปห่างจากวัดนี้ไปประมาณสมกิโลเลยอยู่คนละฝาบ้านมันนล้วไงอยู่คนละฝาบ้านกับบ้านหอยทรายมาได้ก็ลงตามหาบัวเพิ่นไปอยูุหันไงเมชีคณะเมชีกับผ้าขึ้นมามาฟังเทศลงตามาเพิ่นก็ถามว่าเป็นได้ภาวนาคุณแม่ชีแก่ไ้พูดเธอฟังเลยนะไปตามที่รู้ที่เห็น โดยมากมิแต่เรื่องนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่เรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นการรู้อดีตอนาคตแต่ลงตามหาบูมัน์ก็ฟังกระเนกระไม่ได้เบากไปเลว้วหนอไปมีแต่ฟังใครครว่าหาเลเลี้ยมสิหักแบบไรเอานอไปฟังมาเป็นนอใดแต่ว่าคุณแม่พูดพูดย่างภาพภูมิเลยวันนอไปภาพพูมเจอย่างมากเลยวันนะ่ะว่าตัวเองเนี่ยรู้เห็นอดีตอนาคต แต่มนลงตามหาบวัวมิตรฟังพ่อได้จังหวะคนก็บอกว่า hey, เมื่อมันออกจังสั้นนะ่ะให้มันอยู่ได้ไหมบ่อยมันออกเป็นวานะ่ะลงตามหาบวัวเจ็บคนันเนียเไปเวลา จ, จิตจงงบลงไปเป็นอุปจาราสมาธิมันจะออกลูก่เรื่องต่างๆแต่บ่วยมันออกได้ไหมให้มันอยู่ให้มิตรตีอยู่กับตัวเองบ่วยโซงออกได้ไหมอ๋อ ไปภาวนาบางนะบ่อยมันส่งออกแหมมันอยู่กับที่แหมมันอยู่กับตัวเองได้ไหมพอต่อมาขึ้นมาคุณแม่หมดมีได้อยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะมันเคยออกมาผอมแหงล่ะพอภาวนาปอบจิดชงอ้ออยู่ตลอดมันไม่อยู่กับเจ้าของมันไปเบิ่งเจ้าของมันไปมันมีแต่นั่งไปกับพวกปานเบิ่งสายหนังภาพยนตร์มาไปมดเป็นม้วนเป็นม้วนเป็นม้วนไปมันเอาไป บาดเนี่ลงตามหาบัวก็เห็นว่ามันยู่ไม่ได้มันมัมนไม่ยู่กับเจ้าของลงตามหาบัวก็ใซมัดเด็ดท่อนโต๊ะบาดไงไม่ใช่เวลานั่งภาวนาให้มันอยู่กับตัวเองนะยาออกให้ออกข้างนอกได้ไหมเวลาถ้าว่าได้ยาขืนมาหนีเบอร์เนี่ยบ่มีคู่บาอาจารย์ที่สอนดอกคันว่าจิตสงนอกสงนอกแบบนี้ใช่ไม่ได้ไม่ถูกละัะ อยา่าคืนไม้อีกนะถ้าว่าเอาจิติอยู่กับตัวเองเ่อไรโอ้ถือไม่นี่เฮามาแล้วก็ลูกคุณแม่ก็ร้องให้จะโล่จากภูเขาเรไปนี่แหละอันนี้แหะคือต้นเหตุแห่งครูบาอาจารย์สอนเลี้ยงจิตเลื้องเจอม่แม้นทำมาด่าได้ครูบาอาจารย์ที่มีรักจิตรักเจอสอนน่ยมาได้คุณแม่ก็โล่งไปแลยก็โอ้คันครูบาอาจารย์มีสร้างมีสอนเนี่ย เฮาเหาว่าเฮ้าดีเฮ้าเด่นมันก็นมีแมนเลยเนี่ยมันดีเฮ้าเด่นเขาจะเป็นนักเนื้องือกเขาไปเขาไปหาผู้บาดอาจารย์คณะว่าเฮ้าไปแล้วเฮามีเซอร์เพื่นมันจะมีเกิดประโยชน์อย่างเพิ่์ลมอลล์นี่แหละเพราะนั้นจนออิ้ ม, มบังคับเพ้ามันอยู่บัตรเนี่ยถ้าคุณแม่กับบังคับเขาสติอยู่กับเจ้าของตลอดเลยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนองพุทโธอยู่ตลอดมนันไปมีโสมน้อเลยบัตรเนี่ได้หกมือเพื่อนผู้ท่าบังคับเจือเจ้าของอย่างนั้น เพรานั้นเรื่องการบังคับยิดใจหรือว่บาบังคับใจให้อยู่ในสมาธิไม่มีแม้นของง่ายๆเลยเนียกว่าพระคูบาอาจารย์อยู่ป้านรลวงพ่อไผอยู่เพื่อนมาอยู่แบบสบายๆมันมีแม้นสบายได้กันพระปฏิบัติจริงจังเลยพราะเพื่นบังคับเจ็ดยึดเท่อยู่กับเจ้าของเลยมันมีแม้นของธรรมดาไปเลยแหมเว้นเสียจะยู่กินเป็นเมือม่อเมือม่อกินละนอนกอนละนิ่งเป็นเมื่อเือเวงเบี้ยไปเอออนั้นก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าพระธิมี ผู้พ้นปฏิบัติจริงๆเพ้นสู้กับใจของพ้นจริงๆเนี่ยมันมีแม้นท์ธรรมดาพยายามบังคับจิตเจือให้อยู่กับเจ้าของเนี่ยสติอยู่กับเจ้าของไม่ให้จิตฟุงออ้งอบปุ๋งไปข้างนเนาะนี่อเป็นเรื่องที่นักนาสาหัสอย่างมากๆกันออกไปมันให้คุณแม้สู้อยู่กับเจืออยู่กเจ้าของอยู่หกมื อ, อ, อกันไปจากนั้นก็เลยขึ้นไปกาพอจิตเอาอยู่แล้วบาทเนี่ยขึ้นไปลงตามมหาบัวกระทำแล้วไงเป็นไงเนี มันโยไหมคืยมาให้ยังคุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเดนท่านอาจารย์ได้จะบอกให้ฟังแต่ว่าแล้วเพื่นก็เลามห์หฟังมาจีบเจือเข้าสู่ความสงบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนิ่งใดผลเออกรมันโยจริงจีแล้วนี่แหละเมื่อบรรยูใดให้พิจะะารณาร้างกายบ่ายให้เห็นร้างกายของเจ้าของตั้งแต่เกสรลงมาหน้าขา ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ยามหอยใจตับปังพืชอาการ3 2มสิบนี่เธอเบิ่งในร่างกายมีแค่มันทรงเนาะไปไม่ให้เขา เ, เห็นเที่ยวพุธเทวดาอินพร่มนรกสวรรค์สัตว์เกิดสัตว์ตายปิ่นญาณมาเบาะมาก้าวไม่ต้องเบิ่งมเมื่อเธอเบิ่งเจ้าของบ้านนี่ลงตาเป็นสอนอ น, นั้นตได้บานนี่คันเบิ่งมองอื่นมันมันจะเกิดประโยชน์ยังมันเปนนาทีของเจ้าของเห็นดินฟ้าอากาศ ตึกลานบ้านช่องเบิ่งเห็นตระไรเพ่งเพ่งเห็นไปนาคันเบิ่งเจ้าของมันจะเกิดความเบื่อนหน่ายค่ายรุดพนน้นในบ้า น, นี้บานนี้นเนพิ่นก็เลยมาเบิ่งเจ้าของเออภาวนาเพราะว่าเพิ่ น, นมีพื้นฐานแห่งจิตสงบอยู่แล้วโอเคคูบาอาจารย์แนะนําไปในทางที่ถูกต้องเพิ่นก็เลยภาวนาเออถูกต้องเพิ่นว่าในช่วงนั้นหลวงตาไม่ได้อยู่วัดหยทรายเพิ่นออกไปเที่ยววิเวกคุณแม่ก็ เพิ่นกับภาวนาของเพิ่นสม่ำเสมอเป็น่าเล็งความเพียรอยู่ตลอดเพิ่นไปยืนเดินยอกมมืดคืนเลยมันอ่มือมือเพิ่นสิรู้แจ้งไปในเจอในเจอเพิ่นแต่รู้แจ้งคันเลยเฮาก็ไ่รู้จักละอันนี้เพิ่นวอน่ั้นเฮาพอวอลตามนะเออหลวงหลวงพ่ออิงกับวอลตามที่เพิ่นว้าให้ฟังในตำรับในประวัติของเพิ่นเพิ่นกบวอและกับว้านี้ยินลหลายคนอีกวันนี้เพิ่นเดินยอกรมมืดคืน พอเดินอยู่กรมเซตเรียบร้อยในต้นในระว่างต้นพยอมส่วนส้นพุ้นกับต้นพยอมส้นนี้กับต้นพยอมเลยไม่แข็งก็ย่อมเฮานี่แหละเพิ่นก็เดินจนครบอยู่ผมไม่พยอมงมันไปท่านอยู่กปแล้วมีแต่แค่แค้ไม่ไพ่ยอยู่ต้นพยอมอยู่ข้างนึ่งมันไปเพิ่นก็เดินไปเดินมาเดินไปภาวนาเบิ่งพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเจ้าของนี่ย น, นะการเครื่องการไหวเบิ่งกระดูุเบิ่ง เบิ่งเจอือเบิ่งกายเบิ่งใจเบิ่งกายเบิ่งใจเบิ่งกายเบิ่งใจเบิงบ่งเนี่ยพอได้สูกับเพื่อนกัภาวานาจนยิตสงบพิจารณาแล้วกัเพื่นโอ้มันตีซแล้วเกือบจะได้เวลานึงเขาแล้วเพอนหนึ่งเขาถวายพระเนี่ยูบาลก็อยู่ในวัดป่ า, า, ก, ปป า, าก็ไม่อยู่ันไปวัดป้าน้อยท้ายเผูองค์ที่เฝ้าวัดก็มีอยู่เดี๋ยวเป็นหนึ่งเขาไปจังหันดยมากเพ่นพนึงเ้าเซตเรียบร้อยเซตอาหารเลยก เพื่อเมฆมขาวพวกนุ่มๆน่ะไปจังหันวัไปจะไปหัอะไก็ไปรับอาหารมากว่าเขามาฉันใ น, ในวัดเมชีวันไปวันนี้พุ่นเป็นหัวหน้าเมชีเพื่ อ, อได้เวลาที่ เ, เป็นเรื่องเขาะคือไปพักนั่งจักน้อ ย, อยก่อนยังสิไปเหนันพอนั่งพอนาเส็จเรียบร้อยอะไรเพื่นก็นโอ้เื่อแห้งเดืเด๋ยเดเยียดยหลังสักน้อยอยังสิไปเหม่นัน คนว่าขณะที่กาลังจิตนอนลงกําลังจิตเอ็นกายเนี่ยนะจิตใจมันพิษปกติขึ้นมาเลยคนว่าเหมือนกับมันคล้ายๆกับจิตเจือมันก็เบิ่งเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้เผลอได้วันไปจิตเจอมันเหมือนกัระเบิดขึ้นมาเลยคนว่าเจอระเบิดเจอใจระเบิดมันไปดังต่ำโกรธสัมปันว่าพ่อพ่อมันระเบิดขึ้นมากับมันกับเบาในเจ้าของเลยบอกว่าเนี่ยอืม ตัววิชาแตกแกิเลสมดแล้วโมมีชาติที่เป็นชาติทสุดท้ายมีเกิดอีกแล้วเพ่นหูวในเจอของเพืน่นแดเพ่อนมาน้าตาหัวเนี่ไหลากเลยละเมืนว่าเออเหมือนกับเพื่อนน็อกเออคอมเมนตนักมวยก็คือนอกกิเลสอยู่มัดเร็วลงไปกิเลสตายเดี่ยวนั้นเร็วอาลไปเออธรรมปฏิบัติของเพื่อนเออมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปู จัดการกับกิเลสตัวนั้นโดยอเนิจังทุกขังอนัตตาป้อยว่างในจุดนั้นเลยวไปเพิ่นได้สำเร็จพูดง่ายๆวันละไปทีนี้ก็เพิ่นกับมดความสงสัยในพุทธศาสนามดา ม, มดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พอแม่ครูบาอาจารย์ในเจอของเพิ่น บาดนั่นก็พ่อต่อมาหลวกตามหาบัวมามาวัดช่วยทายคุณแม่ก็เข้าไปกล้าไปกล้าเพิ่งวัดภูดคาเนี่ยเออาวานาเป็นอันนี้นี้ท่านอาจารย์มันถูกไหมมันถูกไหมเดี๋ยวตามไรื่เจอเพิ่งจะเหมือนกับค้นหูอยู่แล้วลงไปเออครก็ถามมึงถามอย่างเชื่ิงนั้นแหะเออหมดท่ามะขันนี้แล้วมันรู้แล้วมันมันการไม่ถามกระถามถามว่ามันเป็นอะไรนัดนั้น หลวงตามหาบวัวเพิ่นกัฟังเพิ่นกับพยากรณ์ให้เลยเลยนะบอกว่าเออนี่ไปว่ามดแล้วนะทำ ม, มาคันนี่ไปว่าทำมาคันสูงสุดแล้วเพิ่นรับรองเลยบานเะนี่เพิ่นก็บอกว่าเนีพวกหลวงพ่อนี่ยคูบาอาจารย์ที่อยู่กับหลวงตามหาบวัวเพิ่นก็บอกเลยแล้วบานเรื่องทางด้านคิตใจแล้วเนะี่ยคุณแม่ชีกแก้วเป็นอะไรเพิ่นเป็นอนั้นเพิ่นเป็นอะไรแม่ชีกแก้วเป็นเอนั้นทางด้านคิตอยูบ่เหมือยังแป่แตกต่างกัน เมชีแก้วสำเร็จแล้วอันนี้ก็คือพวกเขาได้ยินในยุคสมัยนั้นที่อยู่กับหลวงตาจากมาจากนั้นมาเพ้นกระม้วเลืเล้อยในหนังสือปฏิปทาพารตุโงกรรมฐ า, านให้พวกถ้าเฮาได้อ่านก็เล่มหน้าหลังๆเข้าไปที่เป็นไม่ชีไม่ชีเลยกันกคือไม่ชีแก้วนี่แหละแต่เพื่นบริลลับุซื้อในหนังสือประวัติของปฏิปทาพรตุรงกรรมฐ า, านแต่ธรรมาเทศนาของเพิ่นเนี่ยกับเพิ่นกั บหลายๆอย่างแต่นี้ทางนาประทรรมเนี่ยพวกเขาก็เป็น้ัวใจว่าลงตาเนี่ยเพืเ่อนผู้ยืนยันพ่อต่อมาคุณแม่ก็ได้มรณาภาพลงเกิดเลยไปชุมเผาศพจากนั้นก็ได้เก็บกระดูกเพิ่นเอาไว้แล้วก็แจกแบ่งเป็นบางส่วนแต่ไม่ลายบัดนี้ก็ดูที่ผู้ได้รับไปก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นแก้วเลยลักษณะเป็นแก้ว เมื่อวานเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเห็นนําอาจารย์ชูธรรมเนียอาจารย์ุทธรรมหนองไผ่ว่าไอ้แมนชธมว่าแมนไปเอายิบเศษแก้วมาจากมงเผาศพคุณแม่บ น, นนอเนิวะโอ้ยไปหาจังใดแก้วบาทีไพ่สิไปเอาอเน่เากระดูกคาๆกันแล้วเอ้กรามากมาไวเพราะมาเปิดจะเป็นแก้วอาารนว่นานี่แหละอันนี้ก็คืออธิข้ของแปจะเอาไปเหลือมาพิสูจน์กันไม่ได้เ ในเฮาสีเอาพิทยาศาสตร์มาพิสูจน์พิสูจน์แล้วเลยก็พิสูจน์ไม่ออกเราไปเม่พิสูจน์ในรักที่ประธาต์กระดูกมันเป็นประธาต์เป็นแล้วเลยยังเป็นพระธาต์นีเ่เนีตามแนวแถวของพ่อแม่กูบายก า, ารก็คือพระหรหนั้นน่ะผู้จิกระดูกจิเป็นพระธาต์ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่พ้นเออทั้งหน้ามาถ้ำหลวงตา ม, มหาบัวมันก็ออยืนยันว่าคุณแม่เนี่เป็นพระหรหนันแต่พ่อต่อมานี่กระดูกของเพื่นนี่ยก็คือรูปธรรม จะยืนยันเอวะกะดูคุณแม่เป็นพระธาตุนะเพราะนั้นคณะกรรมการมีหลวงพะนะ่อเนี่ยอยู่เบื้องหลังคณะรถไฟคณะเจ้าภาพพูดเสียสละทุนทรัพย์ก็เลยเพึกพิกษาปาลูกักกกกกนว่าควรจะสร้างเจดีย์เป็นการเทิดทูนบูชาไฝ่อุบาสิกาพอไฝ่พระสงฆ์พอแม่กูบาลจานหลวงปู่หลวงตาเนะี่ยมีหลายองค์หลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเจดีย์หลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆ ก็สร้างมาแล้วย่งมีใดฝ่าอยอุบาสิกาเนี่ยฝ่ายผู้หญิงนย่างมิทันใดสักสักโอกเพราะคุณธรรมฟังทางทางทางด้านคิดเจอเนี่ยไม่ได้เลือกผู้หญิงไม่ได้เลือกผู้ชายเนี่ยการเลืกพรวนาได้ก็เป็นพระหรหันได้คือเดียวคือกันกับพระภิกษุณีเนี่ยขังพระพุทธเจ้าของเขาเนี่นังโคตมีนั่งเขมานา่งปตตาจารานา่งอุบลละวันหน้าเออไลายๆ ภิกษุณีเพิ่นก็นได้เป็นพระรหันต์คือเดียวกับพระภิกษุเพราะฉะนั้นในยนุคนี้สมัยนี้คือเดียวเท่าว่าผู้ยิ่งผู้เลือก็ตามคันว่าตั้งอกตั้งเจภาวนาทูกทุกตามแนวแถวพระพุทธเจ้าแนะ น, านําสั่งสอนถูกตามแนวแถวพอแม่ครูบาอาจารย์ของเฮ้าที่เพิ่นรู้เพิ่นเห็นแนะนําแล้วเฮาปฏิบตตัติตามก็สามารถที่จะได้สําเร็จมักสําเร็จผลคือเดียวไม่ได้แปะแตกต่างกันในยุคสมัยสมัยนั้นสมัยนี้ ย, ย, นะ ย, ย, ย, ยุคสมัยนั้นกินข้าวอิ่มยุคสมัยนี้ก็กินข้าวอิ่มคือเดียวยุคสมัยนั้นฮ้อนยุคสมัยนี้ก็ฮ้อนคือเดียวแต่ข้อสําคัญเธอต้องอกตังเจอปฏิบัติตามแนวแถวสมาธิห่อเดินแบบไรปัญญาเ่าเดินแบบไรให้เดินให้ถูกทางตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเดินให้มันถูกทาง้็มันถูกทางกันไปเนี่ยคำนวกินแ ล, นล้วนอนก่อนแล้วนินงไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัตินะไอเกี่ยวเม้า ยืนยันมรรคผลในผ่านมดแล้วมดอยู่แล้วมดสําหรับคนคนนั้นแต่ผู้ปฏิบัตินี่มันมีมดเลยผู้รู้แจ้งเห็นจิงมีอย่างอธิธาต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่พวกเขาได้ไปกล้าไปไหวเป็นอะไรอธิธานของพ้นต่างของกระดุคนธรรมดาบอกอันนี้จะเป็นเชิงโบงบอกสาหรับพวกเฮาพุทธบริษัท ลูกหลานของหลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มันของเราเพราะนั้นจึงได้สร้างเจดีย์คุณแม่ขึ้นมากับเพื่อเป็นการเชิดชูบูชาสำหรับฝ่ายอุบาสิกาให้มันให้มันเจอว่าผู้หญิงกับปฏิบัติ ถ, ถึงที่สุดถึงมักผลนิ่ผ่านได้ถามว่าเอาจริงเอาจาับอย่างคุณแม่ชีแก้วเป็นตัวอย่างเพราะนั้นจึงได้มีเจดีย์คุณแม่ชีขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อได้บอก ให้พวกเข้าท่านหยุดโนมทั้งหลายให้ได้หูได้เห็นนั่นแแต่ว่าเจดีกัอย่างที่หลวงพ่อได้วาวนั่นแหะในวันที่18บมิถุนาเป็นวันหมอบเจดีพร้อมกันกับคงจะนิมอนต์องค์หลวงตาเป็นผู้บรรจุอธิธษฐานมื้อนั้นแล้วก็เป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นก็คงจะเป็นปุชนียสถาน สำหรับอุบาสิกาขึ้นมาแห่งหนึ่งอันนี้ก็ขอประกาศให้ออกตนญาติโยมทุกคนทุกคนนะรับหูรับสาบร้วมกันที่หลวงพ่อพูดถึงฝั่งในก็นคือการปฏิบัติการภาวนาสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าสำหรับออกตนญาติโยมฝ่ายผู้หญา้าผู้หญิงในทางว่าปฏิบัติดีกัอย่างทิวานี่ย น, นะจะได้มาพูดถึงในพระไตรปิฎกบัณ ในพระไตรยปิฎกเนยทาว่าผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเป็นครวไม่ได้บวชไม่ได้เป็นพระภิกษุไม่ได้เป็นสัมมาเนตแต่สัมมาเนนี่ยขนธูปได้เป็นสัมมาเนตแล้วก็ภาวนาได้เป็นพระรหันติก็แปลว่าเป็นเพศอุโรมเป็นเพศอุตมเพศกันลงไปเป็นเพศที่สูงทรงอ่าเป็นสัมมาเนี่ยเป็นพัท เป็นพระอรหันต์อย่างติดสัมมาเนบันติตะสมมานสุมาณะสมมาเนสมมานล่าหุนนี่สิเพิ่นก็นมีสมมาเนหลายเดในกางพระพุทธเจ้าและภิกษุนี่ก็หลายแต่สําหรับญาติโยมเนี่ยอย่างพร ะ, พระเจ้าสุตโธธนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่พอได้สําเร็จเพิ่นกะเข้าสุนีผ่านมีถึงเกย์มือสานติมหามาต์ภา ว, วนา เป็นคราญเพิ่นกันเข้าส når, vision, ู everyday, arrives, ุนิพานเพิ่นมามองเพิ่นมัไม่ได้ประโยชน์สําหรับเพิ่นถือสร้างสอนแนะนำสร้างสอนผู้อื่นไม่ได้ละไม่ได้ประโยชน์เพิ่นเลยสําหรับเพิ่นอ่ะเพิ่นมองเป็งเจ้าของนะเพิ่นกับเข้าสูุนิพานไปอย่างฉันธิติมหามาต์เลยนะตะก้อนกัเพิ่นเป็นอานาจของพระเจ้าประเสียรที่โกศลพระเจ้าประเสียรที่โกศลส่งเพิ่นไปป่า จลาจดในในเมืองหัวชนบทว น, นไปชนบทคือแต่วัดหลบกรุงสวัสดีเลยพ้นกับไปป้าวปอบกระกบดลงได้พระเจ้าเปรียงให้เพิ่เป็นเพิ่เพิ่มเป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดมือวนไปเซตอร์ที่มหามาตย์ไว่าให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดมือเอาเลยให้สุกชุกสำบานเอาซุดเวียงเล็ววนไปเป็นบมเนตรบมบมเนตรของชีวิตวนไป บาานี้ชันเต้ที่มาหามากกันมีพ้นคือเดียวลงไปมีพ้นเรื่องสุลาเรื่องหนา้ารีเออ่อันนี้ก็คือนั้นเลยแลเราําไปชันเต้ที่มาหามากกันหดลิ้มแปลว่ากินเหล้าเมาสุล่าใอย่างชุดๆเนี่ยนั่งร้อนนั่งฟอ้อนนั่งรำมีครบหมดกันลไปจนหอดเย็บมือพอหอดเย็บมือ พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอุปนิสัยของสันติมหามาติที่ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เมื่อนี้พระองค์กับพระอา น, อนุน์เดินบินทาบาทส่วนไปส่วนทางไปเมื่อนั้นสันติมหามาติเลยไปขึ้นข้อส้างมันไปนั่งข้อส้างมากับบริวารของพระพอมาเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเดินบินทะบาทอยู่จิตตข้อสร้างแดดมีต๊ะแดวลงไปแล้วก็พระงกหวัว เ, เข้ารบพระพุทธเจ้า อยู่บนคอยซ้างพระพุทธเจ้าเป็นเห็นเลยเป็นการย้แยมพระโอษฐ์คือยิ้มมันไปในพระอานุ์ก็จะถามว่าพระพุทธองค์ย้มพระโอษฐ์ด้วยเรื่องอะไรหนอพระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่านี่สันติมหามาตเดชจะได้สําเร็จเป็นพระรหันได้เหมือนเดิคนทั้งหลายก็ได้ยินหมดเได้ยินที่พระพุทธเจ้าวอกพระอานุ์บอกว่าสันติมหามาตจะได้สําเร็จเป็นพระรหัน พวกนักูมเอร์เขโ้ยสัมมาโกสัมมาโกโดมเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ยตัวสัน ต, ติมหาามา์กินเหล้าเมาวนี้มันจะได้สาเร็จบกมักสาเร็จผลแนเลยมีเอโอกไปแต่บางคนผู้เสรก็เออมื่อนีหละพระพุทธเจ้าสิิแสดงสิ่งที่อจจัศจรรย์ให้พวกเขาได้รู้ได้เห็นอีกครั้งนึงพวกที่เซอร์คกิดขึน่ น, นั้นออกไปพวกที่มีเซอร์กนั่นแหละคนเฮามันเป็นนนั้นได้ผู้เซผู้มีเอนี่ มันเป็นดอกมันเป็นเป็นมาแต่ครั้งพุ้นแล้วมันมีมีแ ม, ม่แต่เป็นในในครั้งนี้มันเไปวานนี้กบพ่อณไปแก้าพ่ออาจารย์ตะตี้มหาบมาดขี้ข้อซ้างไปกับพ้าบริวารไปเป็นเล่นน้ำํำหลยในแม่น้ําอเจนละวดีเล่นไปสนุกซานานเมียของเพิ่นเลยที่ได้มาไม่เลยไปเอ้ยเต้นล่าครับร้องไม่ได้กินข้าวกินน้ํำหมดเอาไปอย่าให้ทึ่ เ จ, จริญชันเตติมหามาต์พลิชุก็เลยเป็นล้มล้มพับตายกับขาดทรายวนไปพอตายไปแล้วตนนี้ชันชันตตีมหามาตที่เมาเหล้าอยู่ความเมาเนีหายมัดวันไปเ่ยคือถึงเมียเป็นวันนั้ไปหายมัดความเมาคือเห็นแต่พระพุทธเจ้าบ้านเลยโอ้ยอาจความโศกอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเราวม่มีใครจะแก้ความโศกเศร้าในจิตในเจอได้หรอกอาภาพ ข้าไปเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยเถ้าเอาเถิดวันแรกก็เลืกไปกล้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศท่านฟังพระเทศท่านฟังสันตติมหามาตได้สําเร็จเป็นพระรหัน์เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าเลยเนีเมื่อได้สําเร็จเป็นพระรหันในทะเลพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสันตติพุทธบริษัทในเขาสงสัยนะว่าท่านได้สาเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะนั้นท่านต้องแสดงบุปกรรมแล้วก็แสดงตัวให้คนทั้งหลายผู้จัก ว่าท่านได้สำเร็จมรรคผลจังไรวันนี้ก็จัดเต็มที่มหามาสก่อนครับผมจากนั้นเพื่นก็ฮอขึ้นบนอากาศเลยประกาศว่าเข้าไปเจ้าท้มมากำกรรมอะไรกรรมดีอ้หยังกรรมช่วยอ้หยังกรรมดีหยังในครั้งก่อนยังได้มากเป็นแบบนี้จากนั้นเขลงมากราบพระพุทธเจ้าถึงสครั้งพราะจากนั้นเพื่อนก็ฮอขึ้นบนอากาศเลยเแล้วเล่าพระพุทธเจ้าป ร, ริณิพานแ์เลยว่าไปออื พอลาภภูตได้ย่อไปเรื่อยในบ้านนะพาะขึ้นบนอากาศขึ้นนา ก, าขกันกันบบ้างไฟมื่อมักไฟแสนบ้านโพนท่อ น, นี่แล้วมันไปกาดๆัดกัดกกัดขึ้นไปเลยควันตะลกบ้านนั้นกิดี่แต่กระดูกลงมากมาลองปรงแปงมาลองปองแปลงเนีเพิ่นเอาผ้าขาวห้องตกลงผ้าขาวอันนี้อะไรก็คือฆรวาดที่ได้สมรจมักสมรผลแล้วเพิ่นก่อเมื่อผ้าลาภของเพิน่นเพิ่นก็นเข้าซุนิภาน ท่านี้มาพูดถึงคุณแม่บาทนี่ที่ปาลบของเพลินเนี่ยเป็นเมชีเนี่ยเป็นอย่างได้ํำเร็จแล้วที่ลงตายืนยันเป็นอย่างวตาอี๋ลงตามหาบกเพลินมอเอาไว้เนี่ยเพลินบอกว่าธรรมะขันสูงเนี่ยบ่เปนสิสังหารร่างกายสัพ เ, ยเพนวเควนสีดูหรือควันสีไปก็เป็นเรื่องของเพลินถึงขันนี้แล้วบ่มีผู้ใดจะรู้จิกงกวเพิน บมเมนติไม่ได้เป็นพลังงานแต่ก็สิสักขารฐานร่างกายมันกับโมเมนเพิ่นก็รูปของพอดเองว่าเป็นยังไดเ ห, หมอสความมาะสมุเหมาะสมระดับขนาดนั้นเนีอันนี้ก็คือหลงตาเพิ่นเพิ่นแย้มออกมาแล้วก็อีกแนวนึงบ้างอย่างคุณแมชชีแก้วเนี่ยยังไม่ชี้เนี่ยชีว่าเป็นครวญที่เดียวหลวงพ่อว่าก็ยังมีท่านมาะยังมีท่านยังไม่ท่านถูกต้องทีเดียวเพราะว่าเพิ่นเกิด รักษาศีลเนีรักษาศีลแดเอภิมจลิยาเลยเรียกว่าเป็นนักบวชนักพจน์ระดับหนงกับว่าใดมีแมงครวาตที่เดียวเ่แมงคครวาดยุ่งเยิงกับครอบครอบครัวไปเพื่นก็เป็นนักบวจอยู่เป็นอภิมจลิยาถ้าจะว่าไปเลยเหมือนชินสมานที่เดียวแต่ก็มันขาดข้อเดียวก็คือชาติตะลูกเท่านั้นเองแหมอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดแต่ว่าถึงเ น, นเลอง ก, ก็เดียว คือแนวเลิกก็ตามนะเออถึงจะแนวเลิกก็ตามคันนับว่าผู้ได้สำเร็จมักสำเร็จผลนั่นแะอย่าค่อยมาเทียงเดียวมันไปคันว่ายังไม่ได้สำเร็จแต่อยเฝ้าจะเฝ้าอย่าเฝ้าเขียงผู้เลิกพือนผู้เลิกคิดก็ยังไม่ได้หนุจักหอกเพราะยังไม่ได้สำเร็จคันพวกเข้าเดินถึงที่ถึงทางเออเป็นพลทหารในตายอีิลี้อย่าค่อยมาเบ้ามันไปเออเป็นพลทหารแล้วเป็นผู้รักษาศีรุ่งบัวสดนี่เพราะตายหอกเนี่ยอย่าค่อยมาเบ้ามันไป คานาวาชิมาวัลยังไ่ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลมาเว้าเดียวก็คือกันครับตาบอดค้าม้างเทียงไปเทียงลงมาเถียงมาเทียงไปธรรมะหัวโนตโมหแต่จากนั้นก็คือเดี๋ยวก็มักเกาะหล่นเสห์หตาบอดตาบอดก็ตีเดียวอย่งพี่ท่นยังไม่ได้ได้ทะเลอว่างมัดว่างมวยเดียวแล้วนะไปอันนี้คือเดียวนะธรรมะขั้นสูงสุดแต่ก็มอบให้คู่บาอาจารย์มอบเพืผู้ประพฤติปฏิบัติ เพรา น, นั่นแหะพวกเข้าที่อยู่ได้ยินได้ฟังะะเลยจ้ะฮ่าก็มีหูทั้งสองข้างมีแม่นบอกอฟังว่าฟั ง, ฟ, งฟังหูไว้หูตัวอฟังหูไว้หูคานาว่าพวกเขาอยากจะเสื้อแบบปฏิบัติอชาํชราชระจิตชําระใจของพวกเขาก็พ้นทุกในวัฏสงสารนั่นแหละเมื่อความสงสัยคานว่าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็นสงสัยอยู่ในนั้นแหะ ในคิดในเจอของพวกเข้าเพราะนั้นพวกเข้าทุกๆคน้ที่หลวงพ่อวิวให้ฟังจะเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าได้คิดอย่าไปมองหน้าเดียวอย่าไปมองข้างเดียวการมองมันต้องมองทั้งสองข้างคือกันครับเข้านั่งรถเข้านั่งรถทางด้านขวาไม่หมดเข้าก็เห็นแต่ด้านทางด้านขวาขณะว่าเข้ามองน้งทางซ้ายเข้าก็เห็นแต่ทางซ้ายบาดนี้เขานั่งทางนาบัดนี้เข้าจะมองทางหน้า เขาก็เห็นหมดัดวนไปมัดเป็นเราเลยแต่ถึงเราเลยก็ยังสู้มองข้างเดียวไม่ได้คือมองข้างเดียวมันเห็นคักๆตะก่อนลงไปแล้วก็ยังค่อยมองทั้งนาง น, าน้ำยัค่อยมองเห็นทั้งสองข้างอันนี้คือเดียวนั่นแหละทุกเสี่งทุกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นแนะนําเพิ่นสั่งสอนเพิ่นบอกกล่าวก็ให้พวกเฮาฟังฟังไว้ศึกษาไว้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดอ่อนมาก อย่างที่พระพุทธเจ้าคนบอก ว, าาวกนะ่าตายแล้วเกิดนะคนเฮาตายแล้วเกิดสิ่งที่เขาเกิดเนี่ยคือเจอไกของพวกเฮาแต่คนยุคนี้สมัยนี้นี่โดยมากท่มีเสื้อเนว่าตายแล้วศูนค์ามันข้มันเกิดไปยังมันม่ม่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มั น, มน่่่่่่่่่นนน่่่่่่่่่่่่่่่ มันจูนจูนไม่ได้อย่างพวกเฮาท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่น่ะนั่งน้ำเดียวในหลายหลายคนน่ะแต่และคนนี่คิดผี่เล๋อเดี๋ยวนี้พวกคุณนคิดผี่เล๋อคิดผี่เล๋อแดงพวกเฮาก็มีหูจกักษ์เมีหูยักษ์พวกเรื่องคิดโนเล่อโนไปทั้งที่นั่งอยู่รำเดียวพราะนั้นเวลาเขาตายแล้วเขาจะมาบอ่อเขามันมาไม่ได้แล้วมันจูนเคืองไม่ได้เว้นเสียแต่ได้ญาณทัศนะ์ะถ้าว่าได้ญาณทัศน์ะแตสิ่งหูใด ไออย่างพระพระรหัสสาวกขนาดย่านนทัศนะเนี่ก็มีคือเหลียวอิบานนี่ยไอย่านย่านชั้นย่านเงาอีกไอ้ย่างพระพุทธเจ้าพาพระสงฆ์ไปยุธที่ป่ามหาวันไอ้สมัยไอ้พระพุทธเจ้าในยุคนึงสมัยนึงจะมีค้างนึ่งวันไปนึกว่ามหาสมัยสูตรนะเนอคือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพาพระสงฆ์500ร้อไปอยุธที่ป่ามหาวันอ้าวพระสงฆ์ทั้งหลาย ล้วนแล้วจะเป็นพระหรหันต์เดยนางเขาซ่านเนาะนว่าให้ดูเที่ยวพุตรเที่ยวดาอินพมพญาพุทธพญานาคที่มาเกี่ยวข้องเนะ่ยเพิ่งพุทธเอจะเห็นได้หลายเมื่อนี้เที่ยวดาจะมานจักรวาลจิมาจิมาทั้งมดัดสิมาฟั่งเทกของพุทธเจ้าจิมาเบิร์พระสงฆ์พระสงฆ์บางองค์เก๋เห็นมีหลายเลยบางองค์ก็เห็นหลายในบางองค์ก็เป็นหมื่นเป็นแสนบางองค์ก็เป็นแสนแสล้านล้านโกดโกดวนลงไป เป็นเลนเป็นเอาเลือกเป็นพระหรหันคือเดียวยังมีเห็นคือเดียวนี่แหละญาณทัศนะสายตาสั้นสายตายาวในตั้งเดียวเลยคือกันกับคนเฮานี่แหละแต่ขันวัดสายตาธรมรมดาก็ยังมีคือเดียววัดได้มีกองขยายเข้าไปแห่ตั้งเดียวก็อีวันออกไปอันนี้คือเดียวนะญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือกองขยายของเพ้นนะ่ะพ้นจะมองได้เห็นมากกว่าแต่ผู้ดใดมีก็มีบุญบ ร, รมี เก้าแก่เบื้องหลังกับผู้นั้นก็ได้ญาณทัศนะของเพิ่นมากวันนไปเพราะนั้นในยุคสมัยนี้เนี่ยหลวงพ่อได้ยินพวกชั้นปัญญาชนวันนันไปแอบเพิ่นบอกให้หลวงพ่อฟังหนึ่เป็นผู้ใหญ่อยู่วนนไปแอบเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินเพิ่นบอกว่าท่านอาจารย์ผมได้ถามคนที่ร่วมโตาอาหารกันโดยมากที่เป็นนักเรียนนอก ปัญญาโถปัญญาเอกนักเรียนนอกยกมาจากนอกเนี่เมื่อมาทานอาหารนํากันเนี่ยผมได้ถามว่าคุณคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดคือถามปัญหาวันไปถามเบิงคนที่มากินข้าวน้ำเดียวเนาะปคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดเขาจะตอบสัิทีว่าผมไม่เชื่อเออตายแล้วไม่มีอะไรตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีผมไม่เชื่อ แล้วบางคนว่าคุณตายคุณตายแล้วคุณเชื่อไม่ว่าตายแล้วเกิดบางคนก็บอกว่าไม่แน่ไม่มั่นใจ่พวกนี้ก็มีอีกแต่บางคนบอกว่เออผมเชื่อน่ะเพราะผมเคยพบเห็นประสบะการณ์ของกับผมเองบางทีผมไปมันมีมวิญญาณสิ่งแปลกเข้ามาเออผมรู้ด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองผมว่าคนเนี่ยต้องตายแล้วต้องเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดมันมีอยู่นอันนี้มีมีอยู่ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกเปอร์เซนต์ออกมาได้ว่าคนตายแล้วศูนย์นี่ประมาณ92าเปอร์เซนต์นะท่านอาจารย์อันนี้หลวงพ่อได้ฟังกับผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือได้หลวงพ่อเองเลยเมื่พี่หน้ามเออมีส่วนที่เดียวคนในยุคสมัยนียพระวิทยาศาสตร์มันจะเริศเลยก็เลยลบลู่เรื่องพุทธศาสตร์เรื่องดากิต ด, ดาจิตวนไป การจีดเดือนด้านใจของพวกเฮ้ามันไปเพราะนั่นหลวงพ่อเองก็เลยจับประเด็นนี้ได้เวลาไปบ๊อบอยู่เฉลยก็ต้องบ๊อบเออพวกเฮ้าตายแล้วเกิดเด้อตายแล้วมีศูนย์นะเนีพราลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นบ๊อบไวเลยเนะีตายแล้วมีศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนร่างกายสังขารนี่ตายดับทแท้แเอาไปเผาไฟเป็นยังเดือดแต่กระดูก แต่ว่าจิตเจอนะั่น่ะใจนะนะั่นไงคือหน้ามมาธรรมตัวนั้นมีตายจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดองใหม่อีกให้เข้าผู้เจ้าว่าร้างกายของเขานะี่มีอยู่สองนะให้เข้าสังเกตอยู่ในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยล้างกายของเขามนะันมีสองอยู่ในตัวของเขานะี่รูประทกับน้า ม, มาธรรมรูประทับคือร้างกายน้า ม, มาธรรมคือจิตเจอือคือจิตใจของเข้า แต่ร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่ว่าส่วนน้ามาถ้ำเนี่ยตัวที่ความตัวรู้ๆอย่างนั้นน ะ, ะตัวนั้นแหละาพาไปเกิดแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าตัวที่รู้รู้ๆน่งคือสมองครับสมองแต่ลักของพุทธศาสนาเนี่ยคนว่ามีแมสสมองน่งคือสมองแต่ว่าสิ่งที่มาใสสมองในอีกทีนึงคือการกับเครืองคอมพิวเตอร์นี่ยแหละ สมองน่ยคือคือคือคือเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้เอาไปคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์น่ยคือคนถ้าหาว่าคนมีกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็อยู่อยู่นั่นนแหละมันก็ไม่กระดุกกระดิกมันก็ทําไปเลยไม่ได้คนมากกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยังทํางานอันนี้คือเดี๋ยวสมองเน่ยคือคอมพิวเตอร์แต่ว่าใจน่ยที่มาใช้สมองน่ยตัวนั้นแหละตัวพาไปเกิดถ้าหาว่าคนมีใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็มีทํางาน แต่โรคขุ머ม่มเนี่ยวิทยาศาสตร์ขุม머่เนี่ยจะเป็นการแพทย์จะวิทยาศาสตร์ระดับใดก็ตามมาพิสูจน์ได้จากพวกลูกประทับถึงลูกประทับขึ้นสมองเทนะ่านั้นแต่ว่าตัวลึกเข้าไปกว่าสมองนั้นอนะ่ะเขายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะผู้ชาเจ้าเพิ่นพิสูจน์มาแล้วเมื่อสองพันกว่าปีพราะพู้ชเจ้าของเข้าเนี่ยเพิ่นไปพิสูจน์ดูเออเพิ่นอยู่ในเพียงในวังถึงเออ อายุถึงยีเก้าปีในเผื่อเมื่อเพิ่นอ อ, ออกไปบวชจากนั้นเพิ่นก็ออกไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปบำเพ็ญอยู่ในปา่าลองพิดลองทุกนี่แหละเรื่องคิดเลืงเจอเด้อยเพิ่เรื่องสมาธิเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่นทดลองอยู่ถึงหกปีพอปีที่หกเนี่ยวันเดือนหกเพนเนี่ยขึ้นวันเดือนหกเ พ, เเพนเ น, นี่ยนหันหน้าน้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนใกล้คำพ้นกำนวดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าเนอะพระพุทธเจ้าภาวนาเพื่อเพิ่มได้สำเร็จนนะอันนี้เห้เฮาหัวจักแปว่าพระพุทธเจ้าภาวนาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากับูัวจักว่าหายใจเข้าให้มือให้มีสติกับหายใจเข้าหายใจออกก็้วให้มีสติกับหายใจออก หาใจอ่อนันอ่อยา่ยวเพื่อมีสติไม่ให้จิตโฉ่ออกไปทางอื่นเพิ่นนั่งภาวนาตอนหัวคําเพิ่นได้สาเร็จปุกเพเนวาสานุสติญาณและเลือกชาติผลหลังใดนี่แหละเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดญาณทัศน์นและลึกชาติผลหลังใดเมื่อรนะ ะ, ะ, ะลึกชาติผลหลังใด การชีวิตตายแล้สูญได้เงนเลยระบาดเนี่ยอ่าการว่าตายแล้วสูญมก็จะเรื่องลึกษาติทหลังได้เงิเลยเพราะนั้นในเสื้อพระพุทธเจ้าก็ต้องเสื้อพระท่านข้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพรอมันจึงจะแม่นได้อันนี้เฮาเฮามีเสื้อว่าตายแล้วเกิดนี่ขั้นคนมีเสื้อว่าตายแล้วเกิดนี่มันทําความสัวได้หลายๆอย่างทีเดียวเอ่อทำความสัวได้หลายอย่างเพราะคนมีเสื้อว่าตายแล้วเกิดคําว่าคนเสื้อว่าตายแล้วเกิดนี่ต้องระวังเลย GS พิลเลย จะทำไปเลยต้องระวังเลเออเกิดมาศาตร์หน้าเป็นมุงมากาใกล้มัดเท้านะไป เ, เพราะฉะนั้นเวลาจะทําสิ่งที่มันมีถูกต้องสิ่งที่มันบดีเนะี่ยต้องระมัดระวังเพราะพุทธเจ้ากรรมคือการกระทําคนใดทําดีผู้นั้นได้ดีผู้ใดทำชั่วผู้นั้นได้ชั่ว เ, เพราะนั้นลักกรรมเป็นเรื่องใหญ่ในลักของของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พวกเฮาทั้งหลายนะ่าฟังและใครสนใจให้ฟังปุกเพรเนวาสารนจติญาและลึกชาติผลหลังได้พระพุทธเจ้าวัดชาติที่แล้วนี่มีบ่ชาตโตต่อไม่ไปมีบ่มันเป็นสายเย้าเหยียดเลยคือ ก, การกระหลงพร้อมาจากวัดปานนาคําน้อยหน่อยมาจากวัดปานนาคำน้อยนะอมาผ่านชิเลอมาผ่านชิลเลอแดงหน่อยอมาผ่านบ้านปือมาผ่านอุดอนมาผ่านเออมาเป็นระยะระยะระยะ อันนี้ก็คือการเดินวิญญาณคือว่าการเดินของจิตใจของพวกเฮาเนี่ยขึ้นอนั้นแหละมาถึงจุดนี้คือการคำว่มื่อวา น, นี่มีบอกมื่อก่อนนี่มีบอกอาทิตย์ก่อนมีบอกปีก่อนมีบอกมันมีไหมเนี่ยนั้นแหละแล้วชาติก่อนมีบอกมันต้องมีแล้วมืออื่นมีบอกมันยังไปทันหอดได้มืออื่นแต่เฮามันมันเห็นว่ามันมีเลเมื่อว่านี่มีมืออื่นก็ต้องมีเนะี่ย เมื่อเฮ่อมีบ่กมีอันนี้คือเดียวอนาคตมันมีคือเดีย่ยวอย่ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉนั้นหลักของพุทธศาสน า, าเพราะพุทธเจ้าคนรู้อดีตรู้อนาคตปัจจุบันตายแล้วหมกตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเฮาทั้นทั้งหลายนเนาะแหมหัวละตายแล้วต้องเกิดอีกต้องพยายามสร้างสมบุรณเอาไว้อย่าประมาทคนเฮาตายแล้วหมดศูนย์ตายแล้วเกิดอีก แต่ทุกคนทุกชีวิตพวกเขามานั่งนําเดียวอยู่เนี่ยตายเมื่อคู่คนม่อมีผู้เลือยจีอยู่คําฟ้าไปได้เรียกวัตกรอนที่จะตายนะี่ยเข้าได้เตรียมผีเหลือไปได้อันนี้ในจุดนี้แหละสาคัญคือพวกเข้าเกิดมาปุ๊บนลยเขาเอาวี่สาเขาใดเด้อเอาวี่สาเฮาละ เ, เขียนวี่สาไปละเตรียมละ่ะวันนี้เขาไป พออยู่มาอยู่มากขาก็ส่งวีซ่าเฮาเราไปเฮากรับให้เฮาไปตั้งประเทศเ อ, อบัตแล้วไปได้รับวีซ่าแล้วกันนะั่นแหละเดินทางตั้งประเทศแล้วนั่นไปอย่างลงปู้เฮาเนี่ยเเพิ่นรับวีซ่ามันก็นกนเดินทางต่างประเทศไปแล้วผมมีบันกลับมาแล้วอันนี้พวกเฮาคือเดียวคอยวีซ่าอยู่ทุกทุกคนนะมันพวกเฮาคอยวีซ่าอยู่แต่ภาคณะที่คอยวีซ่านี่เฮาได้เตรียมทุนไม่บอก เนีอันนี้แหละสาคัญนะไอ้บาเนี่เข้าได้เตียมเงินใบบอกเรื่องมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮ่ฮ่าสมรเลเทเมา่กินเหมเมล้าเมา่ยาแน่แนวเลื่อที่มันไปดีเอาว้ยังมุกทุกประเภทเอ็กวัตสร้างสมบุญไม่ได้ขึ้นบาทาวีส้ามาถึงบาเนี่เดินทางตั้งประเทศบาเนี้เข า, าเจริญลึกเพื่ลอะบาเนี้เขาไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้บาท้าเขาทรงขึ้นเบน เนี่ร่างกายเขาเผาเมื่แล้วบาดแล้วยังแต่จิตเจอบาดเลยเจอของเข่าก็เดินท่าตัางประเทศตามลําพังเลยมา้ น, นเขา่าไม่ได้บุญไม่ได้กุศลติดจิดตที่เจอไปนําเกิดพบหน้าชาติหน้าเลยทุกได้บาดเลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพ้นยังบาเพื่อสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเจอของพวกเข้าบุญก็คือแนี่บุญก็เข้าสู่จิตเจอะแค่เดียวมากก็เข้าสู่จิตเจอะแค่เดียวสรุปแล้วก็คือ ใจของเฮานี่คือเป็นข้างบุญข้างบาปไปเป็นธนาค้านบุญเป็นธนาคารบาปนะบุญบาปจะเข้ามาช่วยจิตจิตใจของพวกเฮาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเฮาให้สร้างสมบุญไว้น้าอย่าประมาทเออมีถึงร0อยปีแลยต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเก่าลนะขันโกรธก็จะไปโกรธหลายกันหักก็จะไปหักหลายสร้างก็จะไปสร้างหลายทุกคนเกิดมาตายน้ำเดียวมดบ่มีผู้เลิศจิตอยู่โัฟ้าดิ่นสลายใดให้อภัยกันไว้ดีที่สุด แล้วก็กวนร้างสมบุนกคุศลเออเท่มากแ อ, อยาประมาทแกินเหล้าเมายาโเนี่เฮิงงดหลวงพ่อว่านะเพราะว่าคนกินเหล้าคนที่มัวเมากินเหล้าเมายาเนี่ยมาอยู่ในโลกนี่คือกันกับโลกนี้มันต้องต่อสู้เลต่อสู้ทั้งทุกวิธีทางเพื่อเพื่อติปัญญาของเรา ว้องไว้แก้วกาอาฐานเดินทางที่ถูกต้องคณะว่ะพวกเขากินเล่าม้อย่าขึ้นกันครับอ่าหามนักมวยที่เมาเล่าขึ้นไปสู้กับนักมวยที่มีสติดีอย่างนั้นอ่ะอ่าปุ๊บเปล่ากันอกอนอกเอานอกเอาก็สู้เขาไม่ได้อันนี้คือเดี่ยว น, นั่นอ่ะให้พวกเข้าให้มีสติอย่างสมบูรณ์จะคิดจีไอานไปเลยให้รู้เท้ารู้ทันรู้หลอบตัวเมดทุกสิ่งทุกอย่าง อัน น, นปนว่าเป็นภูม้บวประมาทเพราะฉะนั้นพวกเขาจะตั้งใอยู่ในความประมาทออกตอนญาติโยมทุกๆคนพยายามสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเข่าทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานี่ยที่หลวงพ่อในยกขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังบูชาบุคล ค, บบคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรญบูชากันเนี่ยยังลูก ป, ปู่ของเข่าเลย มาสร้างวัดอยู่นี่เลยเป็นคู่บาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเข้าลูกหลานทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดจากหลวงปู่ของเข้าได้เห็นคู่บาอาจารย์ที่มาแนะนําสั่งสอนก็เพราะหลวงปู่ของเข้าเพราะนั้นหลวงปู่ของเขานันเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิง่งพวกเขาควรจะเทิดทูนบูชาพระคุณของท่านถ่านอาว่าเพิร์ไม่ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ พวกเขาจีหูจักศีลหูจักทรรบอสพวกเข้าหูจักบุญหูจักบาปบอนี่พอเพิ่นมาอยู่มองนี้พวกเข้าจึงหูจักดีหูจักชั่วหูจักบาปหูจักบุญเพราะอาศัยด้วยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่หลวงตาที่มาแสดงธรรมให้พวกเขาได้ฟังเพราะนั้นหลวงปู่ของเขานี่เป็นผู้มีพระคุณอย่างมากเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้สักการบูชาอย่างมาก เยาว์าปุ๊บเจนี่ว่าปูชาจะปูชนียานังปูชาบุคคลที่คุณที่ควรบูชาเอตมังกระมุดตมังเป็นมงคลอันสูงสุดทางว่าพวกเฮาได้เข้าโลกสักกะละบูชาพอแม่ครูบาอาจารย์หลวปู่หลวงตามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอีกพร้อมเดียวกะคือพวกเฮาระลึกมีแม้แต่เพือ่อไม่แม้แต่ครูบาอาจารย์นี่พอแม่ของเฮาเพื่อเดียว พวกเฮาเนีเกิดมาจากเพลิเกิดมาจากพ่อจากแม่เน่พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาเออให้กอนร้างกายเฮามาแต่งเตรียมหัวจนหอดเท้าเออจนหอดฝ่าเท้าเท้ามัดในร้างกายเฮาได้มาจากเพลิได้มาจากพ่อจากแม่ในเมื่อพ่อแม่ของเฮาเออเป็นล้วงลับดับขันไปพวกเฮาจีเอาร้างกาย น, นี้แหละมาเสาะแสวงหาศรัพย์ ได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เราหรใดพวกก้อนนี้เป็นกน้อนนีของเพืน่นดลูกลูกลูกคนละไปตาไม่จริงขั้นเรเรียกเวัดตัวทได้กับลูกนี้คนลไปเอเ้าเป็นนีคนใดแต่เพ่นมีมจะลูกนี้ลูกนี้ก็ิโพดไปคนละไปมว่าลูกลูกคือเอพราะนั้นพวกเขานเป็นลูกนีของพอ่อของแม่นะเนอเพราะนั้นวเวลาทาคุณงามความดี ได้จะตุปัจจัยท่าใหญ่ทานมาพรนวพม์พ้นล้มหายตายจ้าไปแล้วก็ทำบุญทําท่านอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงเปิ้ลเออพ่อแม่เอ้ยผู้ค้าได้เสาะแสวงหาทรัพย์มาได้ถวายไว้ในพุทธศาสถานบุญกุศลที่ผู้ค้าได้ถวายเนี่ยของเฮ้ยดวงวิญญาณของพ่อของแม่มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ค้าเด้อเออในคิดแต่นั้นบมนไปแต่ว่าหากว่าพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ป่ะเนี่ยพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พวกเข้า ได้เงินได้ค่ามัรัพย์ส่งบัตรมาแล้วก็เนี่นแหละเอาไปบูชาพระคุณของเพิ่นแก้่ายให้เพิ่นหว่าไซนีว่า ไ, าไปไซนีพรอแม่ที่เพิ่นให้เลี้ยงดูเข้ามาแต่น้อยอย่างพวกเข้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะเขาจูงมืจักแต่บางคนมีเป็น น, นั้นเลยแต่พ่อพ่ อ, พอแม่เท่าแก่ชรามาแล้วเนะี่ยมีจะเลี้ยงพอเลี้ยงแม่อันนี้มีทูนเลยดูคู่มือเนี่เริ่มมาเลยละลายเรื่อยๆเลยดีนี้ เลื้อมาหลายเรลยๆวนไปพอคนห่างเหินจากศิลธรรมและก็พร้อมกันก็ น, ก น, นักไปในทางวัตถุเสียมากกว่าเลยห่างเกินความถูกต้องถีงามเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้นทั้งหลายนะเมื่อได้ยินหลวงพ่อได้ฟ้องฟังนี่ก็ให้สจำเนียกสํานึกหลวงพ่อไม่ได้ฟ้าเธอพูดนึงพูดหนึ่นะฟ้อให้พวกเขาได้คิดเพราะพวกเขาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพณ์บอกไว้เด้พณ์มาเฮาเกิดมาพบใดชาติใดเฮาไม่ได้ลืมพอหรือแม่เกิดมาในพบนี้ชาตินี้กว่าเถอนะเมื่อพระพุทธัสตร์จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพรรษาเนี่ยพณนยังขึ้นไปโปรดโยมมันดาอยู่สันตุสิกพุทธนะไปเทศอภิธรรมอยู่ทั้งสมเดือนพุทธนะเปิดโปรดโยมมันดาของเพิณนขณะเป็นเขวดาพระพุทธเจ้ายังไปโปรดเพณ์ยังระลึกถึงโยมมันดาของเพณ์มาด้วไป โยมบรรดาของเพลินเป็นผู้มีพระคุณทําให้ตัวเพลินได้เกิดขึ้นมาแอบเพลินก็ระ ล, ลึกถึงคุณโยมบรรดาของเพลินไปปวดอยู่ซ ด, ดูซิพนะสามเดือนพอน่ะแต่โยมบิดาของเพิินไปเจ้าจุดโทธนาแอบไปปวดจนได้สําเร็จปปเป็นพระโซดาต่อมาเป็นพระนาคาจนที่สุดเพลินไปโปวดในมองนอนของพุทธิ์นอนของพุทธบิดาจนได้สําเร็จเป็นพระอารหันนี่แหละ พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นไม่ได้ลืมบุญคุณของบิดามารดาเนยเพราะนั้นพวกเฮายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าของเฮาเนอเป็นตัวอย่างให้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้เห็นไหมล่ะให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอคนเฮานี่ต้องตายด้วเออป็อย่างพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าพ้นเตือนพระอนุนเลยดูก่อนอนนเ์ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานุนบอกว่า แล้วลึกถึงความตายบันละร้อยครั้งพระเจ้าข่าวประมาณวันะร้อยครั้งพระเจ้าข่าวเนพระพุทธเจ้าว่ายังประมาทอยู่ถ้าผู้บรประมาทแล้วลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตาย่นมาเพราะฉนั้นพวกเขานล้นเคยระลึกบวบัดนี่เออเคยระลึกบวคันมคันม่ระลึกถึงความตายแปลว่าเป็นผู้ประมาทเนอเพราะนั้นระลึกถึงความตายเอาไว้คนระลึกถึงความตายนี่พระป็นระเลยจะพระพุทธเจ้าจริงเคยระลึกถึงความตาย เพราะว่าคนระลึกถึงความตายนี่จะเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเนีว่าชีวิตของผู้ค่านี่ยจะอยู่สักปีก็มีรู้เพราะนั้นสิ่งใดที่มันมีเกิดประโยชน์เออมันจีมีเกิดประโยชน์กับชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงครอบครัวผู้ใกล้ชิดของเฮาผู้ค่าจีมีทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ผู้ค่าจะทํำแต่สิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นอันนี้คือคนระลึกถึงความตายและก็พร้อม ก, กันกับ เป็นผู้เตรียมพร้อมสั่งสมบุญกุศลเอาไว้โกรธคนก็นไม่โกรธแหงกัไปมีโกรธหลายแต่าตีโกรธไปยังเขาก็ตีตายห้าก็ตีตายกรักเขาไปจ้าสิรักไปยนะังเขาก็ติตายห้าก็ติตายห้าก็ตีเท่าสิแก่ขึ้นกันคนหนึ่งเพราะนั้นคนระลึกถึงความตายนี่เป็นผู้เป็นผู้ไม่ประมาทเนอแล้วก็ให้ภาวานาก่อนรับก่อนนอนอก่อนรับก่อนนอนกับไหวพระสวดมนต์ สัญญ้นเยามีบาแล้วมันเาไปอาหังสัมมาสัมพุโทโธนโมตะสาพุธทธงธรรมังสังขังสระนังขจามิเออจากนั้นก็แพ่เมตาเมตาแพ่เมตตาเข้าไ่ต้องอาหาสุขิโตโหมินิโตโข ม, ม, ม, มีนมอไได้อกมันเหวโคตรบางทีคนไม่ได้ท้องเาไปเข้าออกพระาใจของเขารลดไปเออเวลาไหวพระเสร็จแล้วาก็นั่งทาจิตเทนนิ่งเลยข้าพเจ้าต้องการความสุขเน่เออเนวใด เออเข้าไปเจ้าต้องการต้องต้องการความสุขแนวเลอก็ขอให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างที่เข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่เข้าไปเจ้าปารถนาเด้อซับประสัตทางหลายดุกทุกดวงทุกฟินญานขอให้มีความสุขอย่างที่เข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่เข้าไปเจ้าปารถนาตนเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเออเฮ้จิตใจกว้างขวางให้จิตใจมีเมตตาอันนี้แหละขั้นขนมีเมตตาในใจในเจอแล้อยู่เฉยๆก็เป็นสุข กลับตื่นนอนมาก็เป็นทุกข์การที่จะอาฆาตพยาบาทจองเวียนกันมีมได้ในจิตในเจอแจ่สีจองเวียนไปเอเผื่อวนออกไปก็มีถึงร้อยปีกระทางโค้นต่างตายอ่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเข้าสร้างสมคุณงามความดีจากนั้นให้ภาวนาไปเมือ่อใดว่างว่างมีไรผิด เ, เลยก็เข้าไปในห้องพระมีเขาห้องพาะเมื่อเลือว่างว่างก็นัน่งภาวนากำลนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุ โทรพุทธโทในจิตในเจออันนี้แปลว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเป็นผู้มก บ, บัวประมาทคันว่าจิตเจอของเฮาเป็นสมาธิดี อ, อจิตใจของเฮาเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจของเฮาจะไม่ว้าเวเนยไม่ว้าเวไม่อ่างว้างไม่เงียบเก่าวันไปจิตใจจะมีรัก ย, ยึด ค, นคืนยึดค้นคุณนงามความดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในเจอของพวกเฮา ขันว่าพวกเข้าไม่ได้ลึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ภาวนาไว้นะ่ะบาร t h าเท่าแก้ชรามากจิตใจว้าเวไดยจิตใจว้าเวจิตใจอ่างวาง่างเออเอาไปามากกนนี่ใส่ซึมเศร้ามามาถามหา้วบาดเลยเซึมเศรา้าร่างกายจิตใจคนโลกโลกซึมเศร้าสิเข้ามาหาเยี่ยมระบาดเลคนมีภาวนา ข้นว่าพวกเข้าภาวนาไว้อยู่เสมอไม่คุณงามความดีทั้งหลายก็มันทีไปใส่เข้าเป็นผู้เอดเองทีไปสวรรค์ก็ไม่เจอของเข้าทีไปนรกก็เจอของเขาเข้าจะไปเฮ็ดเนียงที่สิ่งที่มันมีดีเข้าทําแต่สิ่งที่มันดีสิเมื่อทําสิ่งที่มันดีแล้วกันเนี่ยล่ะใจของเขาก็เย็นสบายอยู่ไซก็ได้ป่านนี้ลูกเต้าเหล่าลานจิมาอ้อมห้อมล้อมก็ได้มีมาห้อมล้อมก็ได้ที่นี้ไปเมื่ก็ได เออเขานี่ยกูเกิดมากกูเกิดมากผู้เดียวกูตายไปกับกูเสีตายไปผู้เดียวคุณงางความดีกับกูเป็นผู้เอดกูเป็นผู้ใด้ท่ากูทำความซ้วกกรรมซ้วกับกูเป็นผู้รับขึ้นกันพราะนั้นเชื้อในเจ้าของเน๊คันผู้ปฏิบัติแล้วเชื้อในเจ้าของอย่างพ่อแม่กูบายอาจาร์หลวงปู่หลวงตาเข้านี่น่ยเอออายุแก่ๆเ่าๆเน่ยเพิรนไม่ได้งอเพือเลยเนีเพิรนเชื้อมันในตัวของเพิรนเพิรนเชื้อในการกระทั่ของเพิร์นการผู้เข้าจะได้บุญ แต่หละละเข้าไปดูแลแต่ผลในบัตรของผลเชื้อฝั่งผลอันนี้คือเดีย ว, วพวกเขาเป็นผู้เท่าผู้แก่ให้ระมัดระวังนะพยายามสร้างสมบุญกุศลเอาไว้ในคิดในเจอและกาเนื่องสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มขึ้นเดียวแต่เป็นน้อยเป็นหนุ่มกับธรรมาค้าขายก็มันก็ต้องทำแต่เข้าจะถือว่าการธรรมาค้าขายเนี่ดีที่สุดแล้วไม่ได้คิดมาทางด้านคิดเจอจะมีทื่อเด้อ้อ เมื่อถํามากค้าขายเป็นตุเป็นตะเออเป็นเนื้อเป็นตังเป็นลักเป็นฐานพอสมควรแล้วกัเฮ้ากับข่วนชะแสวงเออดูแลสุขภาพร่างกายร่างกายการดูแลสุขภาพร่างกายปรจําเป็นสําคัญและก็พร้อมกันให้ดูแลสุขภาพจิตเออดูแลสุขภาพจิตในประจําเป็นสําคัญขึ้นเดียวมีเฮาแต่พียแต่ว่าช้อสแวงหาทรัพย์อย่างเดียวสําคัญมีมหน าการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นดูแลสุขภาพจิตก็จําเป็นคันว่าเขามีเงินร้อยล้านพันล้านไม่หมดไม่เงินเป็นเสี้ยีแล้วบ่านนี้คันสุขภาพเขาม่ดีล่ะเงินเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมโมเพิกอัมโมพาธเพราะขาดการดูแลในการดูแลสุขภาพกายเงินร้อยล้านพันล้านก็มีเกิดประโยชน์วนไปที่หามาได้มาได้เงินที่ลาหามาได้สุขภาพของเขามีดีแต่เงินก็ไหลายสุขภาพร่างกายก็แข็งแรง แต่สุขภาพจิตของเขายำแย่ระบาดเลยปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะในส่วนขเขาโร่งพยาบาลศรีทัญญามหาโพธิ์อยู่ตลอดเงินร้อยล้านพันล้านพวกเขาคลืนว่ามันจะเกิดประโยชน์บ่มั่นมีเกิดประโยชน์เลยเพราะั้นทั้ง3อย่างนี้นะการซ้อมแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการดูแลสุขภาพกายก็ๆๆๆจําเป็นการดูแลสุขภาพจิตก็จําเป็นเพราะฉะนั้นพวกเข้าทงทําทั้ง3าอย่างนี่นะ การดูแลสุขภาพจิตก็คือยังก็อย่างที่หลวงพ่อว้าหัวฟังนี่ยแะคือตั้งเจอภาวนากับนดลมหายใจเข้าหายใจออกตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ้นสอนเอาไว้คันว่าพวกเข้าสุขภาพจิตดีนะจิตใจไม่วันไหวจิตใจไม่ว่าวี่จิตใจบ่ออ่างว่างจิตใจบ่เงียบเหงายึดใจไม่รักยึดคือยึดคุณงามความดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรักแล้วนั่นละทีนี่เออเขาจะอยู่ในสถานที่ใด การคิดใจของเขาก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพรวะนั้นเมื่อนี้หลวงพ่อเองกไไไ็ได้บ้าภาษาพุทไทยไม่ได้บอกเยาวานนี้จะเทือด้อันนี้เป็นเทือที่แรกวันนี้ไปเป็นเทือที่แรกที่หลวงพ่อได้บอกภาษาพุ้ไทยเป็นธรรมะเป็นแนวข้อคิดสําหรับพวกออกตนญาติโยมทุกๆคนก็ให้พวกเข้าท่านทั้งหลายเนะี่นั่ไปคิดนําไปพิจารณาตามที่หลวงพ่อได้เบ้าได้กล่าวมา แลวก็ขอให้พวกเข้าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่เป็นจินธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเทินแต่เมื่ออื่นอย่าลืมนะอย่าลืมกระเป๋ า, มาเมทกับกระเป๋าเสื้อเดียวนะสร้างเจดีลงปู่เฮานะ